ในช่วงเวลาที่เราจะมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่ทุกๆวันนั้นเป็นช่วงเวลาที่เราให้ไวนั่นะคือตั้งเอาไว้เผื่อเอาไว้ส ง, งวนเอาไว้รักษาเอาไว้รักษาในการที่เราจะใช้ช่วงเวลาสักประมาณแค่30มินาทีใน1วันเนี่ยในการที่เราจะอุทิศนั่นะคือถ้าคุณต้องการที่จะเอาเวลาเนี่ยอุทิศให้กับตัวเองก็ได้ จะ เ, เวลาช่วงนี้อุทิศให้กับพระพุทธเจ้าก็ได้ชะเาช่วงเวลาตรงนี้อุทิศให้กับคนที่เรารักก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าสมมติเราต้องการจะบูชาพระพุทธเจ้าแต่เราอาจจะมีความเคารพรักมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าเอาคุณบูชาเลยนําบูชาพระพุทธเจ้าสูงสุดคือด้วยการปฏิบัติเหี๋น้อยให้สานาทีที่คุณฟังเทศ คุณทำการใคร่ครวนทำในใจให้ดีมีการใคร่ครวนอย่างดีมีการใคร่ครวนแล้วจิตมันอ่อนโยนลงไปนุ่มนวลลงไปปล่อยวางได้นี่เป็นการบูชาอย่างสูงสุดหรือถ้าเราจะไม่ได้แคร์ใครมากแตนะ่เราคิดว่าเราจะอุทิศเวลาตัวนี้ให้ตัวเราเองแตนะ่ในการที่เราจะเอาธรรมะมาส่งไว้ในใ จ, ใ ห, ใ, จให้ใจของเราอย่างน้อยดีตั้งมั่นมีความมั่นคง มีความมั่นใจอันนี้ก็เป็นเวลาที่อุทิศให้ตัวเราเองแล้วถ้าตัวเราดีแล้วนะท่านผู้ฟังถ้าตัวเราจิตใจเราดีจิตใจเรางามจิตใจเรามีความรักความเมตตาเนี่ยคนที่อยู่ข้างๆจะเป็นคู่สมรสจะเป็นบิดามารดาจะเป็นลูกจะเป็นคนรอบข้างเป็นคนใช้คนงานเจ้านายลูกน้องเพื่อนเพื่อนข้างบ้านก็จะได้รับกระแส แห่งความรากักความเมตตากระแสน์ความอดทนกระแสน์ความไม่เบียดเบียนจากเราด้วยแต่ก็เป็นการอุทิศสิ่งดีๆในช่วงเวลานี้ให้กับบุคคลเหล่านั้นด้วยแต่มันได้ประโยชน์หมดทุกอย่างเลยจึงควรมากๆท่านฟังเป็นสิ่งที่ที่ต้องทำแต่ในการที่เราจะมาปฏิบัตินะทรงธรรมะไว้ในใจแต่คือคือเราต้องทําทั้งวันนะะหมายความว่าถ้าทั้งวันเนี่ยทานฟังมีการทํางานอย่างขยันกันแข็งอยู่ละ นะไม่ย่อท้อแต่ความยากลาบากเขาด่าเขาว่าเราเราก็อดทนเอาเรามีความไม่พอใจเราก็ไม่พูดวาจาที่เป็นมิจฉาวาจานนะัแต่พูดวาจาชนิดที่จะให้มีความสมัครสมานสามัคคีกันเอาชื่อว่ า, เ, าเรานั้นปฏิบัติธรรมละแล้วอย่างน้อยนะให้มันมีการทําที่เป็นรูปแบบนะในการที่มานั่งสมาธนะินั่งสมาธินั่งกู้กาเข้ามาโดยรอบ ตั้งกายตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้ามีการรึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้มีการทําแบบนี้เหมือนกับการที่เราให้อาหารใจถ้าเรากินข้าววันละมือหนึ่งก็ตามสองมือก็ตามหรือสามมือก็ตามบางคนกว่านั้นแล้วก็เพื่อให้ร่างกายมันมีกำลังวังชาในการที่จะเดินเหินทำการงานเหมือนกันจิตเราจะต้องมีกาลังวางชาในการที่เราจะทรงธรรมไว้ในระหว่างวัน คิดอ่านการงานแก้ไขปัญหาหรือว่าสร้างสรรค์ผลงานใดๆขึ้นมาเนี่ยเราจึงต้องมีอาหารให้จิ ต, ตอาหารสําหรับจิตนั้นก็คือธรรมะนั่นเองธรรมะเป็นอาหารใจท่านผู้ฟังที่ถ้าเราศึกษาปฏิบัติสร้างให้มันเกิดขึ้นในใจนั่นจะเป็นสิ่งที่ที่ดีมากแล้วในการปฏิบัตินี้แล้วก็ไม่ได้ยากอะไรนนในการปฏิบัติที่พูดถึงนี้คือเรื่องของการทําที่เป็นรูปแบบนะ แค่ว่าเรามีกายมีใจนะให้ใจของเรามีอยู่ในกายอา้าวสติก็เกิดลนะแต่สตินี้เป็นธรรมอันเอกแต่ถ้าเรามีแล้วธรรมะหลายๆอย่างมันจะตามมาได้เวลาที่เรามีสติเนี่ยเป็นคุณธรรมที่สำคัญนะเป็นธรรมอันเอกที่สำคัญที่จะพาให้เราหลุดพ้นได้แตนะ่เพราะว่าสติเป็นที่ลั่นไปสู่วิมุติแล้วสติเนี่ยก็ยังนำมาซึ่งสมถวิปัสสนาด้วย นะสมรรถวิพัสฒนาก็เปรียบเสมือนราชทูตนะที่จะนําข่าวสารตามที่เป็นจริงมาให้กับเจ้าเมืองคือใจของเรานะในกายของเราเนี่ยท่านผู้ฟังหรืาเปรียบเหมือนกับเป็นเมืองเมืองหนึ่งนะที่มีเจ้าเมืองเจ้าเมืองเนี่ยนะคือผู้ที่ครองเมืองเนี่ยคือจิตนะจิตนี้เป็นเจ้าเมืองครองเมืองเมืองนี้ก็คือธาตุสีดินน้ําไฟลมของเราเนี่เองธาตุสีที่เป็นประกอบกันขึ้นเป็นกายขึ้นมานี่ เลยเป็นรูปขึ้นมาเนี่ยคือเหมือนกับตัวเมืองของเราแในมีเจ้าเมืองคือใจของเราเราสามารถสั่งเมืองคือกายของเราให้ขยับตรงนั้นขยับตรงนี้คิดตรงนั้นบ้างคิดตรงนี้ได้บ้างนี่คือลักษณะของเมืองที่มีใจคือตัวเราเนี่ยเป็นเจ้าเมืองเป็นเมืองกายเมืองใจของเราแในเมืองนี้ก็จะต้องมีองค์ประกอบของเมืองที่มีความมั่นคงเมืองที่จะต้องมั่นคงมีองประกอบนั้นก็ต้องมีกำแพงแน่นอน มีกำแพงก็ต้องมีประตูใช่ไหมสำหรับเข้าออกมีประตูแล้วก็ต้องมีนายถาวรนายประตูที่คอยเฝ้ า, าไว้แต่พระเจ้ายกตัวอย่างตรงนี้เพื่อที่จะเปรียบเทียบถึงองค์ประกอบที่สําคัญของเมือง น, นหนึ่งที่ที่น่าสนใจนะที่ว่าเมืองเนี้ยก็ตั้งอยู่คอยระวังรักษาพวกศัตรูฆ่าศึกไม่ให้มารุกรามใช่ไหมก็จะมีะราชทูตคู่หนึ่งวันนี้จึงต้องการจะพูดถึงราชทูตคู่นี้ นะซึ่งราชทูตคู่นี้เขาจะนำข่าวสารตามที่เป็นจริงมาบอกกับเจ้าเมืองราชทูตคู่นี้คือใครก็คือนายสมันะและนายวิปัสนานยสมัถ t วิปัสนาจะเป็นราชทูตคู่หนึ่งที่จะมาอาจจะมาจากทางเหนือก็ได้ทางใต้ทางตะ ว, วันตกหรือทางตะ ว, วันออกก็แล้วแต่นะมาเสร็จปุ๊บเขาก็จะมาถามนายประตูนะที่ทางทิศนั้นๆนะว่าเจ้าเมืองอยู่ที่ไหน นายประตูก็จะบอกว่ า, เ, าเจ้าเมืองนั่งอยู่ณนะที่ทางสแพร่งกลางเมืองนรชทูตก็จะนําข่าวสารตามที่เป็นจริงไปบอกกับเจ้าเมืองบอกเสร็จแล้วก็เดินกลับไปตามทางที่มาตัวนี้เป็นอุปมาอุปไมยท่านู้ฟังพ ร, ระเจ้าเปรียบเทียบให้เห็นว่ารัชทูตคือสมถะวิปัสสนาราชทูตคู่นั้ น, นข้อความตามที่เป็นจริงคือนิพพานมาบอกใครเจ้าเมืองเจ้าเมืองคือใครคือจิตของเรา แล้วตามทางที่เข้ามาที่เขากลับไปเนี่ยคืออะไรก็คืออริยมรรคมีองแปดมีหลายพระสูตรทัานฟังที่พระเจ้าได้ตรัสเตืว่าถ้าคุณเจริญอริยมรรคมีองแปดนะีสมถะและวิปัสสนาก็เป็นธรรมที่เกียงคู่กันไปเนะีเกียงคู่กันไปหลายๆท่านเคยฝึกปฏิบัติโนยะด้วยการฝึกสมถะกร์แล้วก็ฝึกวิปัสสนาะทําสมถะไปสักหลายวันหน่อย เ, อเราก็มาฝึกพิจารณาอะไรต่างๆ ในทางคําสอนของพระุทเจ้ า, าเนี่ยสมถาวิปัสนาเนี่ยมันต้องเคียงคู่กันไปแต่ที่ที่ต้องสอนแยกนะ น, นี่ที่ว่าต้องสอนแยกเนี่ยจึงต้องทําความเข้าใจก่อนนะว่าสอนแยกนี่ไม่ใช่หมายความว่าให้ปฏิบัติแยกแต่ให้ปฏิบัติชนิดที่เคียงคู่กันไปทํำไมถึงว่าอย่างนั้นแต่มันเป็นข้อจํำกัดของภาษานะท่านฟังอย่างเช่นครับพเจ้าเนี่ยต้องการจ ะ, อะบอกเลข 1- ถึงเลข10เนี่ยไม่ไม่ใช่ให้หวยนะแต่ว่ายกตัวอย่างให้ฟัง หนึ่งสองสามสี่บนะบอกไปอย่างนี้มันเป็นข้อจํากัดของคําพูดนะที่2มันต้องมาก่อน3ามนะซมันต้องมาก่อน5้าต้องมาสุดท้ายนะจะไปพูด1นึถึงสิพร้อมกันเนี่ยมันไม่ได้มันกรูปออกมามันไม่ใช่มันไม่ได้มันจะไม่เข้าใจนะจึงต้องพูดอธิบายไอ้ที่ว่ามาก่อนไม่ใช่หมายความว่าต้องทําก่อนไอ้ที่ว่ามาหลังก็ไม่ใช่หมายความว่าต้องทําสุดท้ายแต่อธิบายให้ฟังว่า มันมี2 อ, อย่างนี้นะแล้ว2 อ, อย่างนี้ต้องทําไปพร้อมๆกันพระเจ้าจึงตรัสว่าสมถะและวิปัสสนาเนี่ยเป็นธรรมที่ต้องเคียงคู่กันไปแล้วก็ได้เคยตรัสไว้ถึงว่าเป็นรัชทูตคู่หนึ่งแที่จะต้องมาด้วยกันเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้อย่างไงว่าเอ๊ะเราเราทําสมถะหรือวิอปัสสนาคู่กันไปหรือ ย, ยังหรือเราจะพิจารณาอย่างไรว่าเอ๊ะตอนไหนทําสมถะตอนไหนทําวิปัสสนา ไอ้ย่างนี่มันสมถะหรือมันวิปัสนากันแน่หลาจึงต้องทําความเข้าใจตรงนี้พระเจ้าตรัสอย่างนี้ท่าังบอกว่าถ้าเราไม่ฉลาดในวารจิตของผู้อื่นเนี่ยเราจะต้องฉลาดในวารจิตของตนเองแต่ถ้าเราไม่ฉลาดในวรารจิตของผู้อื่ น, น, น, น, นคือเราอ่านใจคนอื่นไม่ได้เราต้องอ่านใจตัวเองให้ได้นะทํำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราคิดว่าจะให้คนอื่นมาคอย อ่านใจเรามาคอยทักเราว่าเราทำไม่ดีแล้วนะคุณทำชั่วแล้วอ่หยุดหยุดยุดนะเขาจะไม่ได้มาคอยเตือนเราตลอดเขาจะไม่ได้อยู่กับเราตลอดหรือว่าคุณอาจจะจ้างคนมาให้คอยเตือนฉันตลอดเวลาจ้างลักษณะของอาจจะเป็นเลขาส่วนตัวนะให้ทำงานสามกะเลยมีสามคนในยะี่ิบสี่ชั่วโมงวนมาคอยดูไปด้วยกันคอยเตือนว่าฉันโกรธไม่ฉันคิดอะไรยังไงแต่คนพวกนี้เขาก็จะไม่ได้ ตามเราเข้าไปในห้องน้ํานะเออถึงแม้ว่าจะจ้างเขาให้ตามเข้าไปใน ห, ห้องน้ำเพื่อที่จะคอยเตือนเราให้เราทําความดีให้เราคิดดีแต่เขาก็ตามเราเข้าไปในฝันไม่ได้นะเรานอนหลับลราฝันเนี่ยคิดไปบ้า บ, าบอเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาจะมาคอยเตือนเราไม่ได้จึงเป็นเรื่องที่ต้องทําเลยทตามฝั่งต้องทําเลยว่าเราต้องรู้วาระจิตของตัวเราเองเราจะไม่ให้คนอื่นมารู้วาระจิตของเราแล้วคอยเตือนเรา หรือจ้างคนมาคอยบอกคอยเตือนมันไม่ได้มันเป็นลนักษณะคําสอนของพระพุทธเจ้าดูฝั่งที่ว่าเมื่อแม้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเนี่ยแต่ถ้าเรามีธรรมะคือคําสอนเรามีจิตของเราคือตัวตนของเราเราพึ่งตนเราพึ่งทำเราทําได้เนี่เราพึ่งตนเราพึ่งทำเราไปได้เนะีจึงต้องรู้วาระจิตของตัวเราเองตรงนี้แหละคือประเด็นที่ว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงอ ว่าที่รู้ว่าลจริตของตัวเองเนี่ยเออมันสมถะหรือมันวิปัสสนากันแน่นะคือตรงนี้พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบให้ฟังเหมือนกับว่าเอ่อคนที่เป็นชายหนุ่มหรือหญิงสาวเนี่ยเขาก็คนวัยรุ่นอ่ะนะเขาก็ไม่อยากเป็นสิวใช่ไหมแต่พอมีสิวขึ้นที่หน้าเนี่ยเขาจะคอยส่องหน้าดูกระจกอยู่เรื่อยๆชั้นเป็นสิวตรงไหนตรงนี้มีสิวเสีน้นก็จะบีบออกตรงนี้มีสิวหัวชัก็จะบีบออกตรงนี้มีสิวหัวดําก็จะบีบออก นายจะคอยสังเกตคอยตรวจตราหน้าตัวเองอยู่เรื่อยๆใครที่มีลูกที่เป็นวัยรุ่นหรือมีหลานมีน้องนุ่งพี่อะไรที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยจะสังเกตดูได้นก็จะมีกระจกส่องอยู่นั่นละ่ะส่องมันอยู่ทั้งวันเพื่อจะคอยดูว่าหน้าฉันมีสิวไหมในวัยวรุ่นก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันเปรียบเทียบนี้เพื่อให้เราสอดส่องดูใจของตัวเราเองนะว่าใจของฉันเนี่ยเอมันมี มันตั้งอยู่ในสมถะหรือมันตั้งอยู่ในวิปัสสนาไหมีสมถะมากกว่าหรือมีวิปัสสนามากกว่าคือหมายความว่าเราได้สมถะหรือเราได้วิปัสสนาหรือเราได้ทั้งสองอย่างหรือเราไม่ได้สักอย่างแล้วสมถะลักษณะมันเป็นยังไงสมถะก็คือความความนิ่งความเป็นหนึง่งความแนว่วแน่เป็นอารมณ์เดียววิปัสสนาคืออะไรก็คือลักษณะ แห่งการเห็นตามที่เป็นจริงในมีลักษณะของการพิจารณามีลักษณะการที่คอยดูเพ่งดูตรวจตาพิจารณาพวกนี้ใ น, นลักษณะของวิปัสสนาแต่เราจะต้องทราบวาระจิตของเราว่ารจิตของเราตอนนี้มันสงบไหมนิ่งไหมแต่ถ้าสงบนิ่งก็แสดงว่ามีลักษณะของการสมถะแต่ถ้ามีการพิจารณาใกล้ควรคิดอยู่เรื่อยในคิดอยู่เรื่อยนัย่นก็เป็นลักษณะของการทำวิปัสสนาแต่ต้องต้องดูนะว่าคิดเรื่องอะไร แต่คิดเรื่องบ้า <B ord> บอคิดเรื่องการปฏิบัติเปรียบียน <listings> อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นมิจฉาสังกปะแต่ถ้าเราคิดพิจารณานในเรื่องที่เป็นธรรมะนะพระพุทธเจ้าใช้คําว่าอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาการพิจารณาเห็นธรรมะที่จะเป็นไปเพื่อปัญญาอันยิ่งนะพิจารณาธรรมะในลักษณะไหนที่จะเป็นไปเพื่อปัญญาเช่นการเห็นความไม่เที่ยงเป็นตอนอ้นการเห็นความเป็นของไม่สวยงามเป็นต้น การเห็นความเป็นของปฏิกูลในอาหารเป็นต้นพวกนี้จะเป็นไปเพื่อได้ปัญญาอันใหญ่ปัญญาอันยิ่งขึ้นมานะนี่คือจิตเรามีลักษณะแบบไหนนะเราดู2 อ, อย่างเอ่อถ้าเรารู้สึกว่าเออเรามีมีสมถะแฮะจิตเรานิ่งกว่าส่วนใหญ่นะส่วนที่ไม่พิจารณาน้อยพระเจ้าแนะนาอย่างนี้เติมฟังนะให้ตั้งตนอยู่ในสมถะที่คุณได้แล้วนั่นะ ให้ตั้งตนอยู่ในสมถะที่คุณได้แล้วนั่นแหละแล้วก็น้อมจิตไปฝนะึกในการที่จะให้ได้ในการพิจารณาก็นะคือตรงไหนเราได้แล้วเอาตรงนั้นก่อนเอาตรงนั้นเป็นหลักก่อนนะแล้วน้อมจิตไปในการพิจารณาในทางตรงกันข้ามถ้านะพบว่าเราเราได้อธิปัญญาธรรมวิปัสสนาคือมีการคิดใกล้ควรพิจารณาอยู่เรื่อยแต่นะบางคนเนี่ยมีลักษณะที่ว่าวินาทีหนึ่งเนี่ยโอ้ยมันคิด3มเรื่อง4เรื่องเดี๋ยวคิดเรื่องนั้นเดี๋ยวคิดเรื่องนี้อยู่ไม่เป็นสุข แสดงว่าเรามีลักษณะของอธิปัญญาธรรมวิปัสนาแตถ้ามีลักษณะอย่างนั้นนะก็ให้ตั้งตนไว้ตรงนั้นละ่ะให้ตั้งตนไว้ตรงนั้นแล้วทำนะไอ้เจ้าสมถะเนี่ยให้มันมากขึ้นให้มันได้แตนะ่สมัยต่อมาก็จะเป็นผู้ได้ทั้ง2 อ, อย่างนะคือการที่จะได้รับข้อมูลตามที่เป็นจริงนะจากราชทูต2 2คู่นี้ชุดคู่ห น, นึ่งสองคนนี้คือสมถวิปัสนาเนี่ยมันต้อง เสมอเสมอสมดุลสมดุลกันนะพระเจ้าเกิดตักถึงผู้ที่ทําเจโตสมถะในภายในและอธิปัญญาธรรมะวิปษษัสนานั้นได้เสมอเสมอกันในะในลักษณะที่อสวรรจะไม่เกิดแล้วก็เป็นลักษณะเดียวกันว่าถ้าเรามีสมถะมากจิตเราน้อมไปเพื่อความสงบอยู่เรื่อยนะคุณต้องตั้ง ต, งตนมาในความสงบนั้นแหละดีแล้วนะเราก็น้อมไปในการพิจารณาทําให้ได้ฝึกให้ได้นะประกอบความเพียรในการในแนวนั้น หรือถ้าเรามีการคิดพิจารณาอยู่เรื่อยอยู่แล้วแนะเราก็เราตั้งตัวไปตรงนั้นน่แะแหะในคิดพิจารณาไปแต่ว่าพยายามที่จะทําจิตให้สงบทีนี้ถ้าเผื่อว่าไม่ได้เลยสักอย่างทํำยังไงโอ้ยต้องทําความเพี่ยนอย่างมากนะในการที่จะทั้งทําความเพียนทําความขมักกเขม่นสติสัมปชัญญะความใสความเพียรเข้าไปนะความไม่ถอยหลังนะในความฉันทะวายามะที่จะ ให้ใจของเราเนี่ยตั้งอยู่ในทั้ง2 อ, อย่างมีทั้ง2 อ, อย่างเกิดขึ้นแต่ถ้าผมว่าเรามีทั้งสองอย่างแล้วผู้ชมก็ได้ตระหนึกว่าให้อยู่อย่างนั้นนะทําให้ไปเรื่อยๆแต่เราก็ประกอบความเพียรให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอสวะประเด็นที่ต้องการจะพูดในที่นี้ก็คือว่าบางคนที่มีลักษณะการคิดมากนคิดเรื่องนั้ น, นคิดเรื่องนี้ดีบ้างไม่ดีบ้างเอายุไว้ก่อนยกไ้ก่อนดีก็มีไม่ดีก็มีใช่ไหมที น, นี้พอเราคิด ใกล้กรวนอะไรต่างๆมีลักษณะที่เป็นธรรมชาติของอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาเนี่ยจิตมันมันจะสงบเนี่ยมันทําได้ยากแต่ตรงนี้เป็นเทคนิคนะท่านูฟังที่ว่าถ้าเรามีลักษณะจิตแบบนั้นเนี่ยให้ตั้งตนอยู่ตรงนั้นซะก่อนนะให้เราเป็นผู้ที่ตั้งตนอยู่ในลักษณะนั้นก่อนเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยมันมีเทคนิคหนึ่งที่าชาวบ้าก็ได้ใช้อยู่ในบางครั้งได้ใช้อยู่นั่นก็คือบางทีจิตเราวุ่นวายนะไม่สงบ เอางั้นเราจะมาทําให้สงบเนี่ยมันไม่ได้เลยมันฝืนมันหายใจไม่ถนัดมันเคลื่องเนื้อเครื่องตัวมันปฏิบัติไม่ได้เพราะเราต้องการจะฝืนให้ให้ใจเราสงบให้ได้เพราะใจเรามันไม่สงบมันฟุ้งซ่านใช่ไหมตรงนี้เป็นเทคนิคที่ที่เหมือนกับว่าเราสามารถที่จะตั้งตนไว้ในในอธิปญญาธรรมะเบญปนตตะคือถ้ามันจะฟุ้งเนี่ยให้มันฟุ้งไปเลยฟุ้งไปในกายถ้ามันจะคิดพิจารณามันไปนู่นนี่เนี่ย คิดเรื่องดีบ้างไม่ดีบ้างเอางั้นให้มันคิดในกายนะพิจารณาไปถ้ามันจะคิดให้มันคิดพิจารณาไปในกายเห็นผมขนเล็บฟันหนังแยกแยะ ก, กระดูกออกมาเนื้อออกมาตับไตไส้พุงเลือดยไปกองหนึ่งนะหรือเห็นเป็นลักษณะกายเป็นของเน่าเปื่อยนะศพตายแล้ววันหนึ่งบ้าง2วันบ้างนะขึ้นพองเขียวช้ำมีนอนเจาะใจมีตัวอะไรมาจิกกินนกตะกุมหุ่นสุนัขจิงจอกนะรุมฟัดฟึ้นกันอยู่ จนเหลือแต่กระดูกเหลือแต่กระดูกแล้วมีเนื้อติดอยู่มีเลือดติดอยู่จนกระทั่งมีนอนกินไปหมดจนกระทั่งมีแต่กระดูกไม่มีเนื้ อ, ไ ม, มอไม่มีเลือดแต่มีเอ็นยังรึงรัดอยู่นะมันไปปีหนึ่งสองปีมันแยกไปคนละทางเส้นเอ็นมันขาดหมดนะเปื่อยจนเป็นผงกระดูกนั่นแหละคิดพิจารณาไปอย่างเนี้ยนะจะทําให้จิตเราสงบได้ทําไมทํำไมำจิตถึงสงบได้เพราะการพิจารณาลักษณะนั้นนะเพราะว่า พอเรามีการคิดพิจารณานี่คือคนที่จิตฟุ้งซ่านนะจิตแบบว่ามีลักษณะของการพิจารณาอยู่เรื่อยเบางทีพิจารณาเรื่องดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยงั้นให้มันพิจารณาไปในกายเลยให้พิจารณาให้เห็นความเบื่อหน่ายใครกำหนัดเพราะเราเห็นจริงแล้วว่ากายจริงๆมันเป็นอย่างนี้มันมันมันเป็นสภาพที่มันเน่าเปื่อยมันเป็นสภาพที่เปลี่ยนแปลงได้นะสร้าศก็เป็นอย่างนี้ตัวเราสักวนหนึ่งก็จะเป็นอย่างนั้นนะมีความไม่ต่างจากการเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดา เราเห็นตรงนี้แล้วน้อมเข้ามาสู่ตัวว่ากายของเราก็จะเป็นอย่างนั้นนะไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้นะเห็นอย่างนี้แล้วเราจะหน่ายเห็นตามจริงแล้วมันจะหน่ายนะเห็นตามจริงแล้วจะเกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายแล้วจะใครายกำเนิดครายกำหนิดแล้วจะปล่อยวางปล่อยวางแล้วเหลืออะไรเหลือความว่างไง่านผู้ฟังปล่อยวางแล้วเหลือความว่างความว่างนั้นก็จะเป็นสมถะนั่นเองเพราะฉั้นบุคคลที่ ได้อาทิปัญญาธรรมวิปัสสนามีใจิตใจที่ลักษณะคิดพิจารณาอยู่เรื่องแต่ไม่ได้สมาธินะไม่ได้เจโตสมาธิในภายในเนี่ยไม่ได้สมาธิเนี่ยให้ตั้งตนไว้ในการพิจารณานั่นแหะแต่ถ้าพิจารณาในลักษณะที่ให้เห็นความเน่าเปื่อยเห็นตามจริงพิจารณาในลักษณะที่จะให้เกิดปัญญามากขึ้นไปมีปัญญาแล้วมันจะวางวางแล้วมันจะได้สมถะวันนี้ต้องการอธิบายเรื่องนี้ นะซึ่งถ้าเผื่อว่าบางทีเราฝืนในการที่จะบังคับขู่เข้นจิตให้มันเป็นสงบเนี่ยมันอาจจะเครียดนะหนักปวดหัวขึ้นมาเป็นไปแนวอื่นไปเรื่องอื่นไปนะเราทำอย่างนั้นไม่ได้ก็ใช้วิธีนี้ก็ได้นะซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดนะท่านฟังบางทีเราต้องลองทำนะพูดให้ท่านฟังฟังก็คงจะเข้าใจอยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะเราลองทำเลยก็ได้สำหรับบุคคลที่คิดมากบุคคลที่ มีลักษณะจิตที่มีราคาโทสะโมหะแก่กล้าในาคิดพิจารณาอยู่เรื่อยเอาเราลองมาคิดพิจารณาในกายของเราเนะพราะมันเป็นธรรมชาติลักษณะอยู่กันในการที่เราเดคิดเรื่องนั้นเดี๋ยวคิดเรื่องนี้เอาให้มันมาคิดในกายซะนะเราควบคุมในลักษณะนี้คือไม่ให้มันเป็นไปในทางกุศลละให้มันเป็นไปในทางปัญญาให้มันเป็นไปในทางอธิปัญญานะคือปัญญาอันยิ่งน้อมก็มาอย่างนี้แล้วแล้วมันจะวนลูปมามันจะน้อมมาสู่การปล่อยวาง ไรว่างแล้วจะเหลือสมาธิเหลือสมาธิเหลือของว่างตรงนั้นแหละคุณจะได้ซึ่งเจโตสมาธะในภายในทีนี้พอได้สมาธิแล้วยังไงนะเพราะคนที่ที่ได้สมาธิแล้วเนี่ยแล้วก็ให้อยู่อย่างนั้นไปนะให้มันมีความสุขบ้างให้อยู่ไปบ้างคือถ้าเราได้สมาธิปุ๊บเราจะรีบไปพิจารณาอีกมันก็จะทําให้จิตนั้นไม่สงบนะคือมันยังสมดุลกันอยู่นะถ้าเราเปลี่ยนปุ๊บมันก็จะ อ้างออกจากสมดุลแต่เน้ถ้าบอกว่ามันเริ่มมาอยู่ในทางสมาธิมากเกินไปเอาเราก็ต้องพิจารณาเหมือนวัยรุ่นเขาเอากระจกมาดูหน้าอยู่เรื่อยเอ๊ะตอนนี้เราสมถะมากเกินไปหรือเปล่าเอ๊ะตอนนี้เราวิปัสสนามากเกินไปไหมนั่นะจะดูได้ตรงนี้ตะมุ่งหวังว่าถ้าเวลาที่สมถะเนี่ยมันมากเกินไปจิตมันจะน้อมไปในลักษณะของความขี้เกียจในะความเกียจคร้านมันจะน่วงนวงตึงต้งตงึขี้เกียจ เบื่อนิดๆแต่ว่าใจก็ยังสงบอยู่นั่นละ่ะแต่มันจะเบื่อๆซึมๆซื่อๆเสื่องๆไปลักษณะนั้น แ, แสดงว่าสมถะคุณมากเกินไปมากไปละต้องทำยังไงตั้งตนไวในสมถะนั่นแหละแล้วก็น้อมไปในการพิจารณาน้อมไปนะน้อมไปไม่ใช่บังคับแต่บังคับก็ น, น้อมไปไม่เหมือนกันบังคับนี่เป็นลักษณะความเร่าร้อนความรุ่มร้อนนะความแข็งแต่น้อมไปนี่เป็นลักษณะของจิตที่อ่อนโยนนะจิตที่มีกําลังน้อมไป น้อมไปในการพิจารณาทีนี้ลักษณะเออเวลาที่เรามีอธิปัญญาธรรมวิปัสสนามากละ่ะ2 อ, อย่างมันต้องสมดุลใช่ไหมทีนี้ถ้าสมรรถะมันนิ่งมากเกินไปเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าจิตเอาบางทีมันมันบื้อๆซึมๆ ซ, ซึ่งๆนะเป็นลักษณะของความจิตคลัน่นแล้วในทางตรงกันข้ามถ้ามันมีเจ้าอธิปัญญาธรรมวิปัสสนามากเกินไปนะมันคิดพิจารณามากเกินไปละ่ะเราเริ่มรู้สึกได้ แล้วเราจะดูได้ตรงไหนดูตรงที่มันจะเริ่มฟุง้งซ่านมันจะเริ่มฟุ้งซ่านไปมันจะเป็นไปเพื่อความเร่าร้อนรุ่มร้อนมันมันจะเป็นไปนในทางนั้นแต่มันยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันจะเริ่มเปเปๆออกไปก่อนเฮ้ยเราต้องรู้สึกได้ทันทีว่าอ๋อเราเรามาเกิดไปละวิปัศนามาเกิดไปละทำยังไงทํำยังไงก็ตั้งตนไว้ในในวิปัสสนานั่นแหละแล้วก็พิจารณาไงอย่างที่ว่าแล้พิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงในกายพิจารณา ความเป็นของไม่ไน่ยินดีแล้ววางซะนะทำสมาธิให้เกิดกันได้คือการสลับไปสลับมานะอะไรเราจะเป็นตัวตรวจสอบให้เรารู้ถึงลักษณะอย่างนี้แตนะ่สิ่งที่จะตรวจสอบนั่นคือสตินั่นเองแลนะสติเนี่ยดีหมดทุกอย่างนะไม่ว่าจะเวลาที่คุณมีสมถะมากก็ต้องมีสติมีวิปัสสนามากก็ต้องมีสติ แต่เนะพราะสตินี่จะเป็นตัวที่ตรวจตรานะให้เราลึกถึงได้รู้ชัดได้ว่าเฮ้ยเดีนี้มันมันเริ่มเปไปในทางฟุ้งซ่านนะเอานี่มันเริ่มเปไปในทางเกียร์คลานนะแตนะ่มันก็ต้องตบๆเข้ามาบ้างนะออกไปทางขวาก็ตบๆมาทางซ้ายซ้ายมากไปก็ตบๆมาทางขวานะให้มันอยู่ในร่องในอรอยให้มันอยู่ในทางราชทูตคู่หนึ่งเนี่ยท่านฟังมาตามทางเท่านั้นนะไม่ได้มานอกทางนะทางที่มานั้นก็คือ อาเรียมีองค์แปดมาตามทางทางที่มานั้นเป็นทางตรงทางตรงคือทางลัดนั่นเองไม่ใช่ทางอ้อมทางลัดทางตรงที่ว่านี้คือทางที่มีองค์ประกอบ8อย่างมาทางไหนล่ะทางนี้นั้นเหนือใต้ออกตกก็บนข้างล่างมาได้หมดคือมาตามภัสสะนั่นเองมีผัสสะเมื่อไหร่นั่นแหละเป็นช่องทางแล่วผัสสะเนี่ยเป็นเครื่องก่อให้เกิดนะ ทำทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมีผัสสะเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีการทําในใจโดยแยบคายเนี่ยเป็นแดนเกิดนื้อแดนเกิดกับเครื่องก่อให้เกิดนี้ไม่เหมือนกันใบริเวณที่ไอเจ้าผัสสะจะมากระทบเนี่ยถ้าเป็นโยนิสโสมรัสิการคือการทำในใจโดยแยบคายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในที่นั้นจะเป็นธรรมะผัสสะมากระทบบริเวณที่มีการทําในใจโดยแยบคายสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นธรรมะเหมือนกัน ภาษาที่เป็นเครื่องก่อให้เกิดการทําในใจโดยแยบคายเป็นแดนเกิดแเพดัะนั้นเรามีการคิดพิจารณาเรามีการทําสมถะตรงนี้เป็นลักษณะของโยนิโสมรสิกันแตเวลามีภาษามากระทบพัวมันจะเกิดธรรมะขึ้นได้นตะภาษาที่มาเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมาตลอดตรงนี้เป็นช่องทางที่ให้ราชทูตคือสมถะวิปัสสนานําข่าวสารมาได้ตลอด ท่านผู้ฟังเห็นอะไรท่านผู้ฟังได้ยินอะไรรู้สึกอะไรลิ้นนั้นสัมผัสรสชาติอะไรนั่นเป็นช่องทางทั้งนั้นเลยนะแต่ถ้าเราเห็นตามจริงไม่เผลอเพลินไได้สิ่งที่ชอบใจไม่ขยะยแยงเกลียดชังในสิ่งที่ไม่ชอบใจสิ่งใดที่เป็นกลางๆเราก็เห็นสภาพมันโดยความไม่ใช่ตัวตนเห็นเหตุเกิดเห็นความดับไปของมันราคาโตสาโมหะมันจะทำอะไรเราไม่ได้ จิตที่เป็นแบบนี้เนี่ยกิเลสเกิดขึ้นไกลกันละไกลจากใจของเราละใจของเราจะเป็นใจที่เป็นอิสระจากสิ่งเหล่านั้นเป็นใจที่พร้อมที่จะรับราชทูตพร้อมที่จะรับข่าวสารที่ราชทูตนั้นนํามาอันี้บางทีราชทูตเนี่ยเขามาอยู่ว่าจริงแม่แต่นายประตูนี่ตันบล็อกเอาไว้ปิดเอาไว้ไม่ให้เขาเข้าอย่างนี้เพราะนั้นสติคุณ น, นายธวัลเนี่ยก็ต้องฉลาดกัน ต้องรู้แต้องมีการฝึกฝนฉลาดมีทักษะในการที่จะให้เข้าเฉพาะคนที่รู้จักคนที่ไม่รู้จักเนี่ยอย่าให้มันเข้ามาพวกอกุศลทั้งหลายอย่าให้เข้ามาให้เข้ามาเฉพาะสิ่งที่เป็นกุศลแต่สิ่งนี้นจะเป็นกุศลให้เข้าได้นั่นคือสติที่จะเป็นนายทวารคอยป้องกันแต่คนที่เป็นเจ้าเมืองเนี่ยต้องมีกําหนดนโยบายให้ดีแต่นโยบายพวกนี้มาจากไหนความรู้ในหนินงทรรมวังเป็นคําสอนของพระเจ้าแตเรารู้ฝึกฝนสอนใจของเรา สร้างองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ขึ้นเราจะเป็นผู้ที่จะรับธรรม ะ, ะจะรู้ถึงข่าวสารตามที่เป็นจริงที่ราชทูตคู่หนึ่งนี้เอามาบอกได้สามีครั้งหนึ่งนะท่านผู้ฟังสามีครั้งหนึ่งเราจะต้องรู้ว่าใจของเรามีสมรรถะหรือวิปัสสนาอันไหนมากกว่าน้อยกว่ากันถ้าอันไหนมากกว่าให้ตั้งตนอยู่ในสิ่งนั้นแล้วทำอีกสิ่งหนึ่งที่น้อยกว่านั้นให้เกิดขึ้นเราจะรู้ได้ไงดูลักษณะของจิตของเรา มันเป็นไปเพืพ่อความเกียดคร้านหรือเปล่าหรือมันเป็นใบเพื่อความฟุ้งซ่านถ้ามันมีลักษณะของความเกลียดคร้านแต่ว่าคุณมีสมรรถะมากไปะ <hehe> ให้ตั to, ้งตนไว้ในสมรรถะก่อนนะอย่าพิ่งติ้งมันเพราะมันมีดีอยู่ให้ตั้งตนไว้ตรงนั้นและน้อมไปในการพิจารณาแต่ถ้าเราจิตเรามีลักษณะของความฟุ้งซ่านมันจะคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปละอ่าแสดงว่ามีวิปัสสนามากเกินไปให้ตั้งตัวไว้ตรงนั้นนะพิจารณาแล้วแหละพิจารณาให้น้อมไปในทางที่จะปล่อยวาง ความสงบจะเกิดขึ้นได้เราจะทำความสมดุลแห่งจิตของเราได้เหมือนกับชายหนุ่มหญิงสาวที่เขาคอยสองหน้าตัวเองอยู่กับกระจกแบนสองหน้าแล้วเราคอยสอดสองจิตของเราในอย่างนี้อยู่เรื่อยเราจะเป็นผู้ที่เปิดทางเปิดทางให้ธรรมะเปิดทางให้ข้อมูลตามที่เป็นจริงนั่นคือนิพพานมาส่งผ่านมาจากราชทูตที่มาทางผัสสะที่มาทางตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจ ให้เรารับรู้ถึงข้อความตามที่เป็นจริงคือนิพพานได้ถ้าเรนฟังมีคําถามอย่าลังเลที่จะติดต่อมาสามารถส่งจดหมายก็ได้เป็นปริศนียบัตรก็ได้เลขที่1หมู่8ตําบลดอนไหโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธา น, นีหรือว่าเป็นข้อความผ่านทางเว็บไซต์ที่เพียวธรรมะ d com ได้รับแล้วก็ยินดีจะตอบให้ในวันนี้ข้าพเจ้าพระพ บ, บูลจากวัดป่าดอนไฮโศกก็ขอลาไปก่อนเทเรนพร